บ้านเช่าเฮียนใจกลางกรุงเทพสอง ส, สัมผัสสยองผมกับน้ำฝนเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากเราเคยเช่าบ้านไม้สองชั้นอยู่ขณะที่เรียนมหาวิทยาลัย และได้เจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดมากมายเพราะเป็นลบหลู่ดวงวิญญาณในบ้านนั้นเขา้าทำให้น้ำฝนเกือบเปาชีวิตไม่รอดครอดดีที่น้าของน้ำฝนมาช่วยเอาไว้ได้ทันแต่น้ำฝนก็ยังคงพกผ้ายันและตะกรุดติดตัวไว้ตลอดจนกวายุจะครบ32ปีวิญญาณถึงจะยอมปล่อยเธอไปน้ำฝนเคยเล่าให้ผมฟังว่า ตอนที่วิญญาณของเธอออกจากร่างเมื่อครั้งที่เกิดเรื่องที่บ้านเช่าในกรุงเทพน้ำฝนได้ไปอยู่ที่แห่งหนึ่งซึ่งมันเป็นลานโลง่ลงๆมีป่ารายล้อมแล้วก็เห็นกลุ่มคนที่ดูคล้ายกับว่าเป็นนางรำหรือลิเกกำลังไรยรำอยู่ไม่นานนักก็มีกลุ่มชายเจ้ากันเข้ามาปนแต่ในช่วงที่ทุกคนกาลังดิ้นรนเอาตัวรอดอยู่นั้น ก็มีผู้หญิงใส่ชุดนางรำถูกฆ่ายังทารุนต่อหน้าเธอเมื่อน้ำฝนเห็นดังนั้นก็ร้องสุดเสียงแต่ก็ไม่มีใครได้ยินขณะที่เธอกำลังตกใจและร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีเสียงพูดกันมาว่ากูจะทำมึงไปทุกชาติหลังจากที่พวกเราเรียนจบก็ย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนั้นน้ำฝน ได้สมัครเข้าทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งตำแหน่งพนักงานขายซึ่งจะต้องออกไปพบลูกค้าอยู่บ่อยๆด้วยบุคลิกและหน้าตาดีจึงมีคนมาชอบอยู่มากแต่เธอก็ไม่สนใจใครเลยเว้นแต่หนุ่มในบริษัทที่ชื่อแบงทั้งสองมีโอกาสได้คุยกันโดยบังเอิญและได้คบหาดูใจกันในที่สุดวันหนึ่งแบง พาน้ำฝนไปทำบุญที่วัดขณะที่น้ำฝนกำลังให้อาหารปลาที่หน้าวัดอยู่นั้นก็มีพระรูปหนึ่งมาคุยกับแบงค์แล้วมองมาที่น้ำฝนด้วยความเป็นห่วงเมื่อคุยเสร็จแบงค์จึงเดินกลับมาด้วยสีหน้ากังวลแล้วชักชวนให้น้ำฝนทำพิธีต่อชะตาแต่น้ำฝนกลับปฏิเสธด้วยที่ไม่คิดว่าจะมีประโยชน์อะไรในคืนนั้นเอง เมื่อน้ำฝนกลับมาที่คอนโดขณะที่เธอครึ่งหลับครึ่งตื่นอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่าไม่มีใครมาช่วยมึงได้หรอกน้ำฝนสะดุ้งตื่นขึ้นแล้วตะโกนด่า ก, กลับไปด้วยความโมโหเธอเล่าให้ผมฟังว่าทุกคืนจะรู้สึกเหมือนมีคนอยู่ในห้องบางทีก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบๆเตียงแต่ตอนนั้นน้ำฝนไม่กลัว และไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังแบงยังคงไม่สบายใจที่น้ำฝนยังดือ้อไม่ยอมไปทําพิธีต่อชะตาวันหนึ่งแบงจึงพาน้ำฝนไปพบคุณตาของแบงที่บ้านบ้านของท่านเป็นบ้านไม้เก่าๆซึ่งมีขนาดไม่ใหญ่มากพอทั้งสองเดินเข้าไปในบ้านคุณตาของแบงที่กำลังส่องพระอยู่เห็นเข้าก็ทักว่า มีคนตามหนูอยู่นะเขาไม่ยอมปล่อยหนูไปเขาแค้นหนูมากต้องพกผ้ายันและตะกรุดเอาไว้กับตัวนะไม่อย่างนั้นหนูเจอเขาแน่น้ำฝนรู้ตัวดีอยู่แล้วว่ามีวิญญาณตามมาคาดอยู่แต่ไม่รู้สึกกลัวอะไรกับคำเตือนของคุณตาน้ำฝนจึงรับคำว่าจะรักษาผ้ายันและตะกรุดให้ดีจากนั้น คุณตาก็ลุกเดินไปหยิบของในห้องเมื่อกลับออกมาคุณตาหันไปบอกกับแบงค์ว่ารักแฟนคนนี้ไหมต้องให้แฟนไปทำพ่ดีต่อชะตานะไม่อย่างนั้นอาจจะไม่รอดมันคงเป็นเวรกรรมที่ทำด้วยกันมาแบงค์กับน้ำฝนอยู่ในบ้านคุณตาสักพักก็ลากลับเวลานั้นเป็นเวลาพลบค่ำแล้วขณะที่กำลังขับรถกลับ แบงพยายามเกลี้ยกล่อมให้น้ำฝนไปทำพิธีต่อชะตาให้ได้จนน้ำฝนโมโหเพราะไม่อยากไปทั้งสองเริ่มทะเลาะ ก, กันเมื่อไม่มีใครยอมใครแบงจึงจอดรถเพื่อคุยให้รู้เรื่องทันใดนั้นเองน้ำฝนก็คว้างพยันและตะกรุดออกไปนอกรถด้วยความโมโหแบงเห็นดังนั้นจึงรีบลงรถตามไปเก็บให้ ขณะที่กำลังนั่งอยู่ในรถตอนนั้นน้ำฝนเห็นผู้หญิงใส่ชุดนางรำกำลังจะเข้าไปใกล้ตัวแบง์น้ำฝนร้องเรียกให้ระวังตัวแต่ก็สายไปเสียแล้วแบง์ล้มลงน้ำฝนรีบวิ่งไปหาแฟนในทันทีจึงได้รู้ว่าแบง์สลบไปแล้วและที่หัวของแบง์มีแผลเลือดไหลไม่ยอมหยุดน้ำฝนพยายามตั้งสติ ใช้มือถือของแบงค์โทรหาคุณตาเพื่อให้มาดูอาการในระหว่างที่รอคนมาช่วยอยู่นั้นน้ำฝนก็ได้ยินเสียงดนตรีไทยดังขึ้นเมื่อเธอหันไปยังที่มาของเสียงก็เห็นผู้หญิงนางรํากําลังร่ายรำอยู่บนหลังคารถแล้วก็ยืนชี้หน้ามาที่น้ําฝนตอนนั้นน้ําฝนไม่คิดเรื่องอื่นเลยเธอกอดแบงค์ไว้แน่น กลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปเมื่อคุณตามาถึงแล้วเห็นอาการของร่านไม่สู้ดีนักก็รีบนำแบงค์ไปส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดระหว่างที่รอดูอาการในโรงพยาบาลคุณตาก็ถามน้ำฝนถึงสาเหตุที่ทำให้แบงค์บาดเจ็บขนาดนี้น้ำฝนจึงเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณตาฟังคุณตาเริ่มเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วพูดว่า ตอนที่คุณตาเดินเข้าไปหยิบของมาให้แบงค์วิญญาณตนนั้นบอกคุณตาว่าให้หลานเลิกกับผู้หญิงคนนี้ซะไม่อย่างนั้นจะมาเอาชีวิตมันเมื่อได้ยินดังนั้นคุณตาจึงบอกกับแบงค์ว่าคงเป็นเวรกรรมที่ทำด้วยกันมาแบงค์อาการโครม่าอยู่ที่โรงพยาบาลได้เดือนกว่าๆในที่สุดเขาก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับน้ำฝนเสียใจเป็นอย่างมาก แล้วเธอก็อาสาไปช่วยที่งานศพขณะที่น้ำฝนอยู่ในงานศพของแบงก็ได้กลิ่นน้ำหอมที่แบงชอบใช้โชยมาคุณตาบอกว่าแบงเขาไปสบายแล้วหมดเวรหมดกรรมกันแล้วพอมคืนตะกุดกับผ้ายันให้น้ำฝนรักษาติดตัวไว้โดยตลอดคุณตายื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้น้ำฝนและบอกว่า ให้น้ำฝนไปยังสถานที่ที่คุณตาเขียนที่อยู่ไว้ให้แล้วน้ำฝนจะเข้าใจว่าทำไมจึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับตัวเธอน้ำฝนรับกระดาษมาเก็บไว้แต่ด้วยความดื้อของเธอจึงไม่คิดจะไปตามที่อยู่ที่คุณตาได้ให้ไว้เวลาผ่านไปน้ำฝนกลับมาทำงานตามปกติบางวันที่กลับมาถึงคอนโดก็จะได้กลิ่นดอกมะลิ เสียงดนตรีไทยเสียงผู้หญิงหัวเราะและเสียงคนเดินรอบๆเตียงแต่น้ำฝนก็ไม่กลัวยังคงใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึนและแล้วน้ำฝนก็ไม่สามารถอยู่แบบปกติได้อีกต่อไปเพราะเธอเริ่มปวดหลังในเวลากลางคืนติดต่อกันหลายคืนจนเริ่มปวดประมาณตีหนึ่งถึงตีสาม ใช่กับว่ามีคนมาจับหลังของเธอแล้วหักบางคืนมือทั้งสองข้างของเธอก็จะมีรอยเขียวชำ้ำน้ำฝนเจ็บปวดมากจนไม่เป็นอันหลับอันนอนพอเธอไปหาหมอก็ปรากฏว่าผลตรวจไม่มีอะไรผิดปกติคืนหนึ่งขณะที่อาการปวดหลังของน้ำฝนเริ่มมาเหมือนทุกครั้งแต่ครั้งนี้รุนแรงมาก ทำให้น้ำฝนถึงกับน้ำตาไหลในตอนที่น้ำฝนกำลังทรมานด้วยความเจ็บปวดอยู่นั้นน้ำฝนก็เห็นผีตนนั้นยืนยิ้มใบหน้ามีความสุขจึงตะโกนด่าไปชุดใหญ่และยังบอกว่าเธอจะจองเวรกับผีตนนั้นเหมือนกันจากนั้นน้ำฝนก็ได้ยินเสียงหัวเราะเหมือนสะใจที่เห็นน้ำฝนทรมาน หลังจากคืนนั้นทุกคืนก่อนนอนน้ำฝนจะแช่งผีตนนั้นที่ทำให้เธอเจ็บปวดทุกทรมานแบบนี้หลายวันผ่านไปแม่ของน้ำฝนและนาใจซึ่งเป็นน้าของน้ำฝนได้มาเยี่ยมที่คอนโดนาใจเห็นสภาพของน้ำฝนแล้วรู้สึกเป็นห่วงมากเพราะนาใจเป็นคนมีวิชาอาคมเมื่อนาใจมองในห้องของน้าฝน ก็เห็นว่ามันมีแต่เงาสีดำจึงบอกน้ำฝนให้ระวังตัวเพราะช่วงนี้ดวงตกแล้วน้าก็ขอดูตะกุดและผ้ายันที่เคยให้ไว้เมื่อน้ำฝนได้ยินดังนั้นน้ำฝนจึงเดินเข้าไปห้องนอนเพื่อไปหยิบตะกุดและผ้ายันที่หัวเตียงเมื่อเดินเข้าไปในห้องน้ำฝนก็เห็นแบงกำลังร้องไห้อยู่ที่เตียงของเธอ เธอตกใจมากเพราะไม่เคยเจอแบงค์เลยตั้งแต่ที่แบงค์ตายไปน้ำฝนตัดสินใจเดินเข้าไปหาแบงค์ที่กำลังร้องไห้ไม่หยุดเมื่อเดินเข้าไปใกล้ซึ่งอยู่ห่างกันเพียงแค่สองก้าวแบงค์ก็พูดกันมาว่าทำไมไม่ไปตามที่คุณตาบอกแล้วแบงค์ก็หายไปน้ำฝนยังคงตกใจกับภาพที่เห็น แต่ก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่แบงบอกเมื่อตั้งสติได้เธอจึงหยิบเอาของแล้วเอาไปให้น้าใจน้าใจก็รับตะกุดและผ้ายันเอามาท่องคาถาระหว่างนั้นน้ำฝนได้พาแม่เข้าไปชมห้องนอนแม่ของน้ำฝนไปตรวจดูความเรียบร้อยและช่วยเก็บที่นอนให้ตอนที่แม่กำลังเก็บที่นอนให้น้ำฝนอยู่นั้น เศษกระดาษแผ่นหนึ่งก็ปลิวตกลงมาตรงหน้าน้ำฝนพอดีน้ำฝนจึงหยิบขึ้นมาดูแล้วก็ได้รู้ว่ามันคือกระดาษที่ได้มาจากคุณตาของแบงก์นั่นเองเธอจึงเริ่มเข้าใจความหมายที่แบงก์ร้องไห้แล้วพูดออกมาในตอนนั้นแบงก์คงอยากให้ไปตามแผนที่ไม่อย่างนั้นแบงก์คงไม่มาปรากฏกายให้เธอเห็น เมื่อแม่และนาใจกำลังจะกลับนาใจก็ส่งตะกุดและผ้ายันคืนให้แล้วสั่งให้น้ำฝนเข้าวัดทำบุญให้ตีตนนั้นบ้างน้ำฝนตอบแบบหัวเสียว่าจะทำให้มันทำไมมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคนในครอบครัวของหนู <c oughs> เมื่อน้ำฝนพูดจบแก้วที่อยู่ในห้องครัวก็ตกแตกในทันทีแต่น้ำฝนก็ไม่รู้สึกกลัวเลย เพราะในใจมีแต่ความแค้นแล้วแม่ของน้ำฝนก็ได้เข้ามาปรามไว้บอกให้ลูกทำตามที่นาใจบอกบ้างน้ำฝนรับปากแม่แบบไม่เต็มใจเพราะในใจไม่คิดจะทำบุญให้ผีตนนั้นอยู่แล้วเมื่อส่งแม่กับนาเสร็จน้ำฝนก็มานั่งทำงานต่อที่โต๊ะทำงานในห้องนอนสักพักก็ได้ยินเสียงเล็บขูดกับฝาผนัง พอน้ำฝนได้ยินก็คิดว่าเป็นผีตนนั้นแน่ๆจึงตะโกนด่าเสียงดังคูดหับพ่อหับแม่ไงหนวกหูไว้แล้วเสียงนั้นก็เงียบไปกลางดึกเมื่อน้ำฝนเข้านอนเธอก็ต้องสะดุ้งตื่นด้วยเสียงแก้วตกแตกอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงดังไกลมากเหมือนกับดังข้างเตียงนี่เอง เมื่อน้ำฝนหันไปหาแหล่งที่มาของเสียงนั้นก็เห็นเงาดำๆกำลังเดินมาหาน้ำฝนตอนนั้นน้ำฝนพยายามลุกแต่ก็ทำไม่ได้มือไม้อ่อนแรงไปหมดแล้วเงาดำนั้นก็เข้ามาใกล้น้ำฝนเรื่อยๆพร้อมเสียงกรีดร้องบาดหูเสียงกรีดร้องนั้นดังต่อเนื่องจนเงาดำก้มลงมามองหน้าน้ำฝน ห่างกันไม่ถึงครึ่งฟุตน้ำฝนโมโหมากอยากจะลุกขึ้นสู้แต่ร่างกายไม่มีเรียวแรงเลยเธอพยายามท้าทายให้ผีตนนั้นเข้ามาใกลๆ้ๆเพื่อที่จะได้ล้างแคนแต่เงาสีดำนั้นก็หายไปต่อหน้าต่อตาแล้วน้ำฝนก็มีเรียวแรงกลับคืนมาเหมือนเดิมเธอลุกขึ้นเปิดไฟทั่วห้อง แล้วตะโกนท้าทายผีตนนั้นให้ออกมาแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน้ำฝนรู้สึกปวดหลังและต้นคอรุนแรงมากเหิดทนเจ็บต่อไปไม่ไหวแล้วจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลในคืนนั้นเลยเมื่อหมอตรวจอาการแล้วก็ไม่เจอความผิดปกติใดๆจึงสั่งยาและให้น้ำฝนกลับมาพักที่คอนโด แต่น้ำฝนก็ยังไม่หายปวดด้วยกลัวว่าจะเป็นอัมพาตจึงโทรไปหาแม่เล่า่าอาการปวดให้ฟังพอแม่น้ำฝนได้ยินดังนั้นจึงรีบมาหาน้ำฝนที่คอนโดด้วยความเป็นห่วงเมื่อแม่มาถึงน้ำฝนก็ร้องไห้ด้วยความเจ็บปวดเวลาผ่านไปจนถึงเชา้าอาการเจ็บหลังของน้ำฝนก็ยังมีอยู่แต่ไม่มากแล้ว ขณะที่แม่กำลังทำอาหารอยู่ในครัวน้ําฝนซึ่งโทรไปลา ง, งานเสร็จก็เดินไปหาแม่พอแม่น้ําฝนมองไปที่หลังของลูกก็อุทานด้วยความตกใจเพราะเสื้อด้านหลังของน้ําฝนเต็มไปด้วยเลือดเมื่อน้ําฝนถอดเสื้อออกดูแม่ของเธอก็เห็นรอยขูดเป็นทางยาวรอยขูดนั้นขนานไปกับแผ่นหลังมาถึงต้นคอ แม่ก็กระวนกระวายใจรีบเดินหาสิ่งของที่เป็นต้นเหตุพูดหลังลูกสาวของตนน้ำฝนคิดว่าร่างกายตัวเองมีอะไรผิดปกติและกลัวเป็นนามาพาน้ำฝนจึงเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้แม่ฟังเพราะแม่ได้ฟังสิ่งที่น้ำฝนเล่าจึงได้ตัดสินใจพาน้ำฝนออกจากคอนโดไปตามแผนที่ในกระดาษ ที่คุณตาของแบงค์เคยให้ไว้ในทันทีทั้งสองเดินทางมาได้สักพักก็พบสถานที่คล้ายสถานปฏิบัติธรรมหรือสำนักคนทรงบรรยากาศภายในรมดินมีคนใส่ชุดขาวเดินไปมาขณะที่กำลังลงมาจากรถก็มีเด็กวัยรุ่นเดินมาบอกว่าท่านพ่อปู่รออยู่นานแล้วครับทั้งทั้งที่น้ำฝน ยังไม่เคยมาที่แห่งนี้เลยท่านปู่ที่ว่านี้รู้ได้อย่างไรว่าเธอจะมาตัวของน้ำฝนเองไม่เชื่อเรื่องพิธีกรรมอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่อยากขัดใจแม่จึงเดินตามเด็กขึ้นไปยังสำนักพอท่านปู่พบน้ำฝนก็บอกว่ามีผู้ชายมารอที่นี่นานมากเขาบอกว่าจะมีผู้หญิงมาแล้วบอกให้ท่านช่วยผู้หญิงคนนี้ด้วย พอถามท่านว่าผู้ชายคนนั้นเป็นใครท่านก็ตอบกลับมาว่าชายคนนั้นชื่อแบงค์น้ำฝนตกใจแล้วก็ถามท่านปู่หลายต่อหลายอย่างเพราะไม่เชื่อแต่ท่านปู่ก็ตอบได้หมดแม้แต่เรื่องที่มีน้ำฝนกับแบงค์เท่านั้นที่รู้กันสองคนขณะที่น้ำฝนนั่งอยู่ก็รู้สึกเหมือนมีมือมาจับที่แก้มท่านปู่บอกว่าแบงค์มาลา เพื่อไปชดใช้เวรกรรมที่เคยทำไว้ตอนนี้ให้น้ําฝนกลับไปก่อนพอน้ําฝนดวงตกทำอะไรไปก็ไม่คืนมันคือเวลาที่ดวงวิญญาณเขาเอาคืนและหากน้ําฝนต้องการรู้สาเหตุที่วิญญาณนางรำตามอาคาตก็ให้มาสำนักนี้อีกครั้งเมื่อพร้อมน้ําฝนจึงกลับมานอนพักที่คอนโดขณะที่อยู่ในห้อง น้ำฝนก็ได้ยินเสียงของผู้หญิงพูดกันมาว่าแค่นี้มันน้อยไปเธอทั้งโกรธทั้งแค้นตะโกนด่ากลับไปน้อยอะไรมึงโดนกูเอาคืนแน่สักพักแม่ของน้ำฝนก็เดินเข้ามาหน้าตาตื่นบอกว่าน้องโดนตำรวจจับอยากให้น้ำฝนกลับบ้านไปด้วยกันเพราะแม่เป็นห่วงทั้งน้องชายและตัวน้ำฝนเอง แต่น้ำฝนปฏิเสธเธอคิดว่าจะกลับไปทำงานจึงบอกแม่ว่ามีตะกุดกับผ้ายันแล้วแม่ไม่ต้องกังวลแม่จึงรีบเดินทางกลับเพื่อไปจัดการเรื่องของน้องชายเมื่อแม่กลับไปแล้วพอตกกลางคืนผีตนนั้นก็มาจ้องเล่นงานน้ำฝนที่เตียงอยู่ทุกคืนอาการปวดหลังของน้ำฝนก็หนักขึ้นทุกวันน้าฝน ได้แต่ทนทรมานเพียงลำพังหลังจากนั้นไม่นานนักทางบริษัทก็จัดกิจกรรมพาพนักงานไปเที่ยวน้ำฝนก็ยังไปเที่ยวกับคนในบริษัทอยู่ช่วงเวลานั้นน้ำฝนกลับมามีความสุขอีกครั้งและได้ทำอะไรบ้าๆหลายอย่างมากมายจนกระทั่งกลับมาขณะที่น้ำฝนกำลังนั่งแท็กซี่กลับที่พักก็ได้ยินเสียงวิทยุ พูดเรื่องศาสนาทำให้น้ำฝนคิดถึงสถานที่ปฏิบัติธรรมแห่งนั้นและการชดใช้กรรมต่างๆที่ทำมาพอถึงห้องน้ำฝนจึงนำกระดานแผ่นใหญ่มาตั้งไว้ที่ข้างๆเตียงแล้วพูดกันมาว่าถ้าต้องการอะไรก็เขียนมานะจากนั้นน้ำฝนก็หลับไปพอรุ่งเช้าน้ำฝนก็ตื่นนอน เมื่อมองไปที่กระดานแผ่นนั้นก็เห็นข้อความเขียนไ ว, ว้ว่าหิวน้ำฝนยังไม่เข้าใจกับข้อความนั้นจึงไม่ได้ทําอะไรหลังจากนั้นเวลาที่น้ําฝนนอนและตื่นมาในทุกๆเช้าก็จะมีคําว่าหิวเขียนติดอยู่ที่กระดานทุกครั้งจนแม่ของน้ําฝนกลับมาที่คอนโดก็เห็นข้อความที่กระดานแผ่นนั้นเมื่อรู้ว่า เป็นสิ่งที่ดวงวิญญาณตนนั้นเขียนจึงพาน้ำฝนไปทําบุญที่วัดไกลๆขณะที่น้ำฝนกําลังกรวดน้ําให้เจ้ากรรมนายเวรเธอก็รู้สึกเหมือนมีใครโยเทียนมาอังที่แผ่นหลังและต้นคอน้ำฝนร้อนจนเหงื่อไหลท่วมตัวไปหมดแต่ก็ทนจนกลวดน้ําเสร็จเมื่อกลับถึงคอนโดก็เห็นข้อความบนกระดานว่าไม่เอา น้ำฝนจึงพบหนทางที่จะแก้แค้นผีตนนั้นโดยการทำสิ่งที่ผีตนนั้นไม่อยากได้คือเธอจะทำบุญไปให้ทุกเชา้าแม้ว่าทุกครั้งที่ทำบุญน้ำฝนจะรู้สึกร้อนเหมือนโดนไฟแผดเผาที่หลังและต้นคอก็ตามเมื่อ น, น้ำฝนทำบุญไปให้นางรําตนนั้นอาการเจ็บปวดของน้ำฝนก็เริ่มดีขึ้นมาบ้าง ประจวบกับน้ำฝนมีปัญหากับที่ทำงานทำให้น้ำฝนต้องลาออกเธอจึงตัดสินใจไปยังสถานที่ปฏิบัติธรรมและได้พบกับท่านปู่จึงได้รู้สาเหตุที่วิญญาณ น, นางรำตนนั้นอาฆาตและคอยตามหลอกหลอนเธอท่านปู่บอกว่าเมื่อครั้งอดีตชาติน้ำฝนกับผีตนนั้นเป็นคนรักกัน ผีตนนั้นเป็นลูกสาวของครูสอนรำมีศักดิ์มียศใหญ่พอสมควรเธอคนนั้นชื่อจันส่วนน้ำฝนเป็นแค่คนธรรมดาฐานะยากจนแต่ด้วยความทะเยอทะยานยากบัางมีจึงตัดสินใจไปเป็นโจรเพื่อให้มีทรัพสมบัติเทียบเท่ากับคนรักจนเลื่อนขั้นเป็นหัวหน้าโจรมีลูกน้องมากมายแต่เมื่อกลับไปหาคนรัก เธอกลับแต่งงานมีครอบครัวไปแล้วด้วยความแค้นของน้ำฝนในอดีตชาติจึงสั่งให้ลูกน้องเข้าไปปล้นบ้านครูสอนรำแล้วลงมือฆ่าจันด้วยมือของตนเองโดยการเอาไม้ทุบที่หลังแล้วเอามีดฟันคอจากนั้นก็นำศพและหีบที่ใส่สมบัติของนางรำคนนั้นไปฝังไว้ในป่าซึ่งต่อมา กลายเป็นที่ตั้งของบานชาวที่ผมกับน้าฝนไปเจอเหตุการณ์ระทึกขวัญ น, นั่นเองพอน้าฝนได้ฟังก็ร้องไห้ได้วยความเสียใจท่านปู่เองก็ไม่สามารถช่วยเรื่องกรรมที่น้ำฝนทำมาไว้ได้เธอจึงต้องทนทุกข์ทรมานที่เจ้ากรรมนายเวรตามมาเอาคืนแต่ท่านปู่ได้แนะนำวิธีผ่อนจากหนักให้เป็นเบา โดยการทำพิธีกับต้นว่านสเสนจันทร์ซึ่งเป็นต้นไม้มงคลแล้วให้เอาต้นไม้นี้ไปดูแลให้ดีอย่าให้ต้นไม้ตายเด็ดขาดถ้าเมื่อไหร่ที่ต้นไม้ต้นนั้นตายน้ำฝนจะต้องเดือดร้อนและมันจะรุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งอาจจะถึงขั้นเป็นอมาพาตเลยก็ได้และที่สำคัญน้ำฝนต้องพกตะกุดกรผ้ายันติดตัวไว้ตลอด จนกว่าอายุเจเลย ''32'' ิเพราะช่วงก่อนที่อายุเจเลย3 2ินั้นเธอจะดวงตกเป็นอย่างมากพื่อความปลอดภัยของตัวเธอเองเธอต้องพกติดตัวไว้ตลอดทุกวันนี้น้ำฝนก็ยังเจอผีตนนั้นอยู่บ้างแต่ไม่บ่อยเพราะน้ำฝนก็ยังทำบุญให้ผีตนนั้นอยู่เสมอต้นว่านสเสนจันที่ท่านปู่ทำพิธีให้ ก็ยังอยู่ในห้องนอนซึ่งมันได้รับการดูแลเป็นอย่างดีสมัมผัสสยง